พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเราชาวพุทธควรระลึกถึงอยู่เรื่อยๆไม่ควรหลงไม่ควรลืมคืออะไรก็คือรสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงการยินดีในธรรมชนะการยินดีทั้งปวง ถ้าพวกเราคิดถึงคำสอนสองคำนี้อยู่เรื่อยๆเราจะได้ไม่หลงทางกันจะได้ไม่ไปหารถอย่างอื่นมาเสพมาสัมผัสจะมุ่งไปหารถแห่งธรรมเพียงอย่างเดียวเพราะรถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงคือความสุข ที่ได้จากการสัมผัสพระธรรมอันประเสริฐนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนั่นเองเป็นความสุขที่ดีที่สุดเป็นความสุขที่เกิดจากการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเป็นความสุขที่แท้จริงเพราะจะไม่มีความทุกข์ หลงเหลืออยู่ภายในใจจะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวถ้าไปหาความสุขจากสิ่งอื่นๆเช่ น, นหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆถึงแม้ว่าจะได้สัมผัสกับความสุขแต่ก็เป็นความสุขชั่วคราวแล้วพอ ความสุขนั้นหมดไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ทันทีนี่คือความแตกตา่างระหว่างความสุขของรถแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวง ก, กับความสุขจากสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ต่างกันตรงที่ความสุขจากรสแห่งธรรม จะเป็นความสุขที่ไม่มีวันสิ้นไม่มีวันสุดไม่มีวันหมดและเป็นความสุขที่จะไม่มีความทุกข์ตามมานี่คือสิ่งที่เราควรที่จะล้ำลึกคิดถึงอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะได้เป็นเป้าหมายของการดําเนินชีวิตของพวกเราพวกเรา ทุกคนต้องการความสุขกันไม่มีใครต้องการความทุกข์กันแต่เหตุที่ทำให้พวกเราอย่างต้องทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้เพราะเราไปหาความสุขที่มีความทุกข์ติดมาด้วยนั่นเองเราไม่ไปหาความสุขที่ไม่มีความทุกข์ติดมาพราะเรา ลืมหรือเรายังไม่เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสว่าลถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงถ้าเราไม่เข้าใจเราควรที่จะศึกษาว่ารถแห่งธรรมนี้เป็นอย่างไรรดแห่งธรรมก็คือลถแห่งวิมุตติวิมุตติแปลว่าการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง จิตใจดาบใดถ้ายังมีความทุกข์อยู่ต่อให้หาความสุขมามากน้อยเพียงไรก็ตามก็ยังไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในจิตใจให้หายไปได้ต่อให้เป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกก็ไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจให้หายไปได้ ต่ให้เป็นพระราชามาหากษัตริย์เป็นประธานาธิ บ, บดีเป็นนายกรัฐมนตรีความสุขที่ได้ก็ไม่สามารถที่จะไปกำจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้ต่อให้ได้รับรางวัลเหรียญทองชนิดต่างๆความสุขที่ได้รับก็ยังไม่สามารถที่จะไป ทำลายความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้ต่อให้ได้ความสุขจากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆจากการได้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆได้ไปดูได้ไปฟังมหรสย บ, บันเทิงต่างๆได้ไปดื่มได้รับประทานอาหาร อันวิเศษต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เครื่องดื่มที่วิเศษต่างๆความสุขที่ได้จากสิ่งเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะไปทำลายความทุกข์ที่มีอยู่ในใจนี้ได้ยังต้องมีความทุกข์มีความเศรา้าโศกเสียใจมีความซส่มเศร้ามีความ เครียดมีความวิตกกังวลมีความหวาดกลัวมีความหงอยใหญ่เพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้ความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่สามารถไปกำจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจได้มีความสุขชนิดเดียวเท่านั้น คือรถแห่งธรรมที่ชะนะรสทั้งฝูงความสุขที่ได้จากการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนั่นเองคือต้องปฏิบัติธรรมให้หลุดพ้นจากความทุกข์เท่านั้นถึงจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปเหมือนกับคนไม่สบายเป็นโรคภัยไข้เจ็บ แทนที่จะเข้าโรงพยาบาลไปหาหมอไปรักษาโรคกับขอไปเที่ยวขอไปงานแต่งงานคนนั้นคนนี้ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เวลาไปเที่ยวอาจจะลืมโครคภัยไข้เจ็บไปแต่โรคมันไม่หายจากการไปเที่ยวจากไปงานนั้นงานนี้หรือจากการไปหาเงินหาทอง หาตำแหน่งหาอะไรต่างๆโรคมันก็ยังไม่หายโรคจะหายได้ก็ต้องไปเข้าโรงพยาบาลให้หมอรักษาโรคเช่นโรคที่ต้องใช้การผ่าตัดก็ต้องผ่าตัดถึงจะหายถ้าไม่ผ่าตัดไม่หายไม่ว่าจะไปทำอะไร ให้ลืมความทุกข์ความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายมันก็ไม่ได้ทําให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายหายไปต้องไปโรงพยาบาลต้องยอมเจ็บต้องยอมให้หมอผ่าตัดให้หมอทําการรักษาถึงจะสามารถหายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ทันใด โลกของใจเราก็คือโลกของความทุกเนีเองความทุกขที่มีอยู่ในใจของพวกเราทุกคนยกเว้นผู้ที่ได้สัมผัสกับลดแห่งธรรมแล้วเท่านั้นผู้ที่ได้สัมผัสกับวิมุตติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเท่านั้นที่จะไม่มีความทุกข์อยู่ภายในใจ นอกนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะเป็นมหาเศรษฐีเป็นพระราชามหาการศัตรูเป็นดารานักสแสดงนักกีฬารางวัลเหรียญทองก็ไม่มีความปลอดภัยจากความทุกข์ยังก็ยังต้องมีความทุกข์มาลบกวนใจอยู่เรื่อยๆเสมอ นี่หละเป็นธรรมที่เราควรที่จะลำลึกถึงอยู่ทุกวี่ทุกวันเดินขึ้นมาก็ให้เราลึกถึงว่าลถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงและการที่จะทำให้เราได้สัมผัสกับลถแห่งธรรมเราก็ต้องยินดียินดีในธรรมเพราะการยินดีในธรรมชนะการยินดีทั้งปวง ถ้าเรายินดีในธรรมเราก็จะได้ไปหาธรรมกันแต่ถ้าเรายินดีกับลาบยศตละเส ร, ริญกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะไปหาลาบยศสลรเสริญไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะไม่ได้รดแห่งธรรมถึงแม้ว่าเราจะได้รับความสุขจากลาบยศสลรเสริญ จากรูปเสียงเกล่นลดต่างๆแต่เวลาที่ความสุขเหล่านั้นหายไปหมดไปความทุกข์ที่มีอยู่ในใจก็จะโผล่ขึ้นมาอีกเสมอเพราะความทุกข์ที่มีอยู่ในใจไม่ได้รับการกำจัดจากการไปหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงเกล่นลดต่างๆนั่นเองต้องมาหา การหลุดพ้นจากความทุกข์เท่านั้นต้องมาหาวิมุตติวิมุตตินี่แหละคือลสแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้มาครอบครองเป็นสมบัติจากการที่มีความยินดีในธรรมนั่นเองยินดีในลสแห่งธรรมยินดีในธรรม ก็จะนำไปสู่การได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมเพราะเมื่อเรามีความยินดีในธรรมเราก็จะเข้าหาธรรมกันนั่นเองถ้าเรายินดีในลาบยศสรรเสริญสุขเราก็จะเข้าหาลาบยศสรรเสริญสุขกันนี่เป็นสิ่งที่เราควรจะระลึกถึงทุกวัน นั่งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าเป้าหมายของเราคือลแถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงอย่าไปตั้งเป้าหมายว่าธุรกิจปีนี้จะกาไรมากน้อยเท่าไหร่จะมีโครงการใหม่ๆโผลขึ้นมามากน้อยกี่โครงการจะมีตำแหน่งอะไรรอเราอยู่ จะมีเหรียญรางวัลอะไรต่างๆที่เราต้องการมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เราอยากจะไปท่องเที่ยวกันอย่าไปตั้งเป้าหมายอยู่กับสิ่งเหล่านี้เพราะมันจะทำให้เราต้องมาผิดหวังในภายหลังเพราะความทุกข์ต่างๆมันจะกลับมันจะไม่หายไป มันจะหายไปในช่วงที่เราไปหาสิ่งเหล่านั้นได้สิ่งเหล่านั้นมาแต่พอเวลาที่มันหมดไปมันจากเราไปความทุกข์ความไม่สบายใจก็จะกลับมาหาเราอีกสู้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าวันนี้เราไปหารถแห่งธรรมดีกว่ารถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวง และการที่เราจะเข้าถึงรถแห่งธรรมที่ชะนะรถทางปวงเราก็ต้องยินดีในธรรมที่จะนำให้เราเข้าถึงรถแห่งธรรมนั่นเองทมอะไรที่เป็นผู้ที่จะนำเราให้เข้าถึงรถแห่งธรรมก็มีดังต่อไปนี้หนึ่งคือความมากน้อยในปัจจัยสี่ สันโดษยินดีตามมีตามเกิดในปัจจัยสี่ยินดีในความมักน้อยสันโดษแล้วก็ให้ยินดีกับการปลีกวิเวกการอยู่ในสถานที่สงบสงัดที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆห่างไกลจากราบยศสนรเสริญสุขต่างๆปลีกวิเวก แล้วก็ถ้าไปปิกวิเวกที่มีอยู่ด้วยกันหลายคนเช่นตามวัดป่าวัดเขาก็อย่าคลุกคลีกันต่างคนต่างอยู่อยู่ที่พักของตนอย่ามาคลุกคลีกันควยกันมานั่งสนธนาปลาสยนินทากาเลหรือดื่มน้ำชากาแฟ อะไรต่างๆเอาเวลามันมีค่านี้ไปเบรกวิเวกไปอยู่คนเดียวเพื่อไปเจริญธรรมคือให้ยินดีกับการเปรกวิเวกยินดีกับการไม่คุกกีกันเพื่อจะได้เกิดความยินดีในการบําเพ็ญความเพียรบําเพ็ญเพราะธรรมที่ต้องการนี้ต้องอาศัยการบําเพ็ญความเพียร ถึงจะเกิดขึ้นมาได้ธรรมที่ต้องบำเพ็ญคืออะไรก็คือศีลสมาธิและปัญญานั่นเองถ้ามีความเพียรที่จะเจริญศีลสมาธิปัญญาผลที่จะเกิดตามมาก็คือวิบูติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนั่นเองนี่แหละคือธรรมที่ เราควรที่จะยินดีกันเป็นความยินดีที่เหนือกว่าความยินดีทั้งปวงเพราะถ้าเรายินดีในธรรมเหล่านี้เราก็จะได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงได้สัมผัสกับรถของวิมุตติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนั่นเองไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ถ้าต้องการสัมผัสกับวิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงก็ต้องยินดีในธรรมเหล่านี้ยินดีกับการความมักน้อยยินดีกับความสันโดษยินดีกับความการปริกวิเวกอยู่ในที่สงบสงดัดห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆห่างไกลจากเรื่องราบยศสรรเสริญสุข แล้วก็ไม่คุกดีกันให้แยกกันอยู่ตามลำพังเพื่อจะได้มีเพื่อที่จะได้ยินดีกับการบำเพ็ญความเพียรบำเพ็ญความเพียรในศีลในสมาธิในปัญญาถ้ามีการบำเพ็ญความเพียรอย่างต่อเนื่องรักษาศีลให้สะอาดบริสุทธ ทำใจให้สงบให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิเป็นอุเบกขาแล้วก็เจริญปัญญาให้ปล่อยวางสิ่งต่างๆที่ใจไปหลงคิดว่าเป็นความสุขให้หมดไปพอปล่อยวางได้หมดแล้ววิบุติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย ก็จะปรากฏขึ้นมาทันทีแล้วลสแห่งธรรมที่เหนือรถทั้งปวงก็จะเป็นรถที่ปรากฏขึ้นมาในใจเป็นนิพพานังปรมังสุขขังขึ้นมาความสุขของพระนิพพานความสุขของจิตที่หลุดพ้นจากความทุกข์เรียกว่านิพพานนี่แหละคือ สิ่งที่จะตามมาถ้าพวกเราหมั่นลำลึกถึงรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงลำลึกถึงความยินดีในธรรมที่ชนะการยินดีทั้งปวงเมื่อเรามีความยินดีในธรรมเราก็จะได้ปฏิบัติธรรมที่เราควรจะยินดีด้วยควรยินดีกับความมากน้อย ในปัจจัยสี่วรามากน้อยปว่าต้องการเท่าที่จำเป็นต่อการเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปให้พอดีต่อความต้องการของร่างกายเพราะเราต้องเลี้ยงดูร่างกายที่เป็นเหมือนเครื่องมือ ที่เราจะใช้ในการเข้าถึงรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงนี่เองตัวอย่างของความมาักน้อยในปัจจัยสี่ก็คือพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นผู้เป็นปิเซนเตอร์เป็นตัวอย่างของผู้ที่มีความมาักน้อยพระพุทธเจ้าทรงสอนและทรงปฏิบัติเองให้พระฉันเพือเดียว อันนี้คือความมักน้อยฉันแค่ควันเดียวครั้งเดียวก็พอร่างกายอยู่ได้รับประกันไม่ตายถ้าตายพระพุทธเจ้าไม่อยู่ถึงอายุแปดสิบปีครูบาอาจารย์พระปฏิบัติพระป่าที่ฉันมือเดียวนี่อยู่กันถึงเก้าสิบกว่าร้อยปีกลับอยู่นานกว่าพวกที่กินวันละสามมือสี่มือ โ ก, กินวลตสามือสี่มือไปโดนโครคภัยไข้เจ็บต่างๆรุมแล้วโรคที่เกิดจากการรับประทานอาหารมากเกินไปนั่นเองโรคไขมันอุดตันทำให้หัวใจวายทำให้เป็นสมอง เ, อเลือดตีบตันในสมอง เ, อเป็นเอามาเพิกเอามาพาดกินมากเกินไปทำให้เกิดไขมัน สูงน้ำตาลสูงเป็นเบาหวานแล้วนำไปสู่การเป็นไตวายต่อไปนี่เป็นผลที่เกิดจากความไม่มากน้อยสันโดษในการรับประทานอาหารรับประทานตามความอยากอยากรับประทานอะไรรับประทานจนรับประทานไม่ลงนั่นแหละ เขาเรียกว่าไม่รับประทานเขาเรียกว่าแดกพวกชอบแดกนี่น่เดี๋ยวที่สวยก็โดนอาหารรับประทานเองไม่รับประทานอาหารเดี๋ยวอาหารที่อยู่ในร่างกายมันก็กลับมารับประทานร่างกายนั่นแ่ะเพราะมันมากเกินไปมันกลายเป็นพิษกลายเป็นพิษไปการที่จะเป็นคุณเป็นประโยชน์มันกลายกลายเป็นพิษไป น้ำตาลมากเกินไปก็เป็นพิษไขมันมากเกินไปก็เป็นพิษนี่คือโทษจากการรับประทานมากเกินไปสำหรับโทษของผู้ที่ปฏิบัติทำมากรลักจากการรับประทานมากขึ้นไปคืออะไรก็คือความง่วงนอนพอรับประทานมากหนังท้องตึงหนังตาก็จะหย่อน นั่งสมาธิก็หลับเดินจงกรมก็ไม่อยากจะเดินอยากจะหาหมอนอยากจะนอนแต่ถ้าลองรับประทานมื้อเดียวดูแล้วก็จะทำให้การรับประทานอาหารนี้ไม่มากเกินไปแล้วจะไม่ง่วงอาจจะง่วงในช่วงชั่วโมงสองชั่วโมงหลังจากที่รับประทานแต่หลังจากนั้นแล้วก็จะหายง่วง ช่วงที่ง่วงก็เดินจงกรมแทนที่จะนั่งเดินไปพออาหารได้ย่อยแล้วทีนี้ความง่วงก็จะไม่มีนั่งสมาธิกี่ชั่วโมงก็ได้เดินจงกรมต่อกี่ชั่วโมงก็ได้นี่คือความมากน้อยในเรื่องของการรับประทานอาหาร เพื่อเป็นเพื่อไม่มาเป็นอิไม่เป็นอุปสรรคต่อการที่จะบำเพ็ญความเพียรต่อไปต้องรับประทานน้อยๆรับประทานพออยู่ได้ก็พอแล้วโลกภัยไข้เจ็บก็จะไม่ค่อยมีไขมันจะตำ่ำน้ำตาลจะตำ่ำกรดยูริกก็จะตำ่ำ ไม่เป็นโรคเกาให้เป็นอะไรต่างๆแล้วเวลาบำเพ็ญความเพียรก็ไม่มีนิวร น, นิวรก็คือความง่วงว่งความง่วงนอนนี่คือตัวอย่างของการความมักน้อยคือเอาเท่าที่จำเป็นกินเท่าที่จำเป็น อย่าไปกินมากเกินไปนี่สำหรับอาหารสำหรับเสื้อผ้าพระพุทธเจ้าก็ใช้บังสกุลผ้าบังสกุลผ้าบังสกุลก็คือผ้าหอ่อศพนี่ที่เขาเอาศพไปทิ้งไว้ในป่าช้าแล้วเอาผ้านี่ห่อพอต่อไปศพเน่าเปื่อยแห้งกรอบเดือกระดูกผ้าก็ ไม่มีความจำเป็นนับบวชก็ไปเก็บผ้าที่ได้ที่เหลือจากการหอศพนี้เอามาซักมาย้อมมาตัดมาเย็บเป็นจีวรแล้วก็จีวรที่มีก็มีเท่าที่จำเป็นมีเพียงหนึ่งสำรับก็พอหนึ่งชุดก็พอในยุคแรกๆมีเพียงสองผืนเท่านั้น สมัยที่พระพุทธเจ้าเริ่มประกาศพระธรรมกับสอนใหม่ๆพระยังไม่มีผ้าไตมีเพียงผ้าผ้าสองผืนคือผ้านุ่งหนึ่งผืนผ้าห่มหนึ่งผืนต่อมามีพ้าที่มามีคนศรัทธามาบวชที่มีจิตยังไม่แก่กล้าไม่เหมือนพระยุคแรกๆ ยุคแรกๆนี้เป็นผ้าอ า, หารหันเป็นส่วนใหญ่เป็นจิตที่มีความแก่กล้ามีความพลังต้านความหนาวเย็นของร่างกายได้ไม่เดือดร้อนเวลาอากาศหนาวเย็นถึงแม้จะมีผ้าหม่มเพียงผืนเดียวก็ทนกับความหนาวได้แต่ต่อมามีพวกที่มามีศรัทธามาบวช ยังไม่ได้เป็นผ้าอาหารหันต์จิตใจยังอ่อนไหวต่อความหนาวเหน็บของร่างกายก็เลยท่งไปขออนุญาตเพิ่มผ้าอีกผืนหนึ่งพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ทรงพิจารณาก็เห็นสมควรว่าควรจะมีผ้าหม่มกันหนาวอีกหนึ่งผืนแต่ให้ทำเป็น สองชั้นด้วยกันถึงจะพอกับการป้องกันความหนาวได้วิธีที่พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาพิจารณาอย่างไรก็ทรงนุ่งห่มผ้าหนึ่งผืนช่วงหกโมงถึงสี่ทุ่มพอถึงสี่ทุ่มรู้สึกว่าอากาศเริ่มเย็นมากขึ้นผ้าที่ห่มอยู่หนึ่งผืนป้องกันความเย็นไม่ได้ก็ลเลยเอาผ้ามาหม่ม อีกผืนหนึ่งเป็นสองผืนก็นั่งพิจารณาต่อไปจนถึงตีสองจากสองยามตั้งจากสี่ทุ่มถึงตีสองผ้าสองผืนก็พอกันความหนาวได้แต่พอถึงช่วงตีสองอากาศเย็นมากขึ้นอีกผ้าสองผืนไม่พอก็เลยเอาผ้าอีกผืนมาห่มเป็นผืนที่สาม ก็สามารถป้องกันความหนาวเย็นได้ไปจนถึงสวง่างจากดีสองถึงหโมงเช้าพระพุทธเจ้าก็เลยอนุญาตให้มีผ้าห่มกันหนาวเพิ่มขึ้นอีกสองผืนแต่ทำให้เป็นผืนเดียวให้เป็นผ้าสองชั้นไปเป็นผ้าห่มสองชั้นผ้าที่ห่มกันหนาวนี่เรียกว่าผ้าสังคติ ที่พระผ้าดอยู่บนไหลเวลาที่พระไปทำพิธีกรรมต่างๆพระจะห่มเพียงผืนเดียวส่วนอีกสองผืนที่เป็นผ้าห่มกันหนาวนี่ไม่ห่มเพราะมันร้อนห่มแล้วมันจะร้อนก็เลยเอาผ้าดบนมาหล่าบ่าไว้ญาติโยมจะถามว่าทำไมต้องเอาผ้าผ้ า, บาดบ่าด้วยห่มก็ไม่ห่มก็ไปผ้าดไว้ทำไมก็เพราะว่า ต้องรักษาผ้าให้อยู่ใกล้ตัวเพราะสมัยก่อนไม่มีที่เก็บผ้ามิดชิดนั่นเองเวลาจะไปทำอะไรต้องเอาผ้าติดตัวไปถ้าทิ้งไว้แขวนไว้ดีไม่ดีเดี๋ยวมีโจรมาขโมยไปหรือมีลิงมีสัตว์มาเอาไปใดบังคับให้พระต้องเอาผ้าตาติดตัวไป นุ่งห่มสองผืนผ้านุ่งหนึ่งผืนห่มคลุมหนึ่งผืนเป็นสองผืนส่วนผืนที่สามที่เป็นสองชั้นนี้ก็เลยให้ผ้าบนบ่าไว้แต่สําหรับผ้าป่าเนี่ยเวลาท่านบินธบาต ท, ท่านจะห่มทั้งสามผืนหนยท่านจะเอาผ้าสังกัตินี้มาห่มทับผ้าจีวรด้วยฉะเวลาบินธบะถ้ายึบเป็นผ้าป่านี้จะร้อนเวลากลับจากบินธบตนี้เหงื่อแตก เพราะว่าห่มทีสามผืนด้วยกันเรียกว่าซ้อนผ้าบินทะบาดซ้อนผ้าแต่ผ้าในเมืองท่านไม่นิยมทำกันท่านก็เก็บไว้ในกุฏิเพราะมีที่เก็บปลอดภัยมีกุฏิใส่กุญแจได้มีตู้ตใส่กุญแจได้ก็เลยไม่ได้เอาติดตัวไปในขณะที่บินทบาดแต่ยังต้องเอาติดตัวไปเวลาทำสังฆกรรมต่างๆ รรมีเวลาทาพิธีบวชน้าททำพิธีอะไรต่างๆทางาศาสนาก็นิยมพาดบนไหลไปให้มันดูโกโก้เท่านั้นแต่มันไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเ ก, กกะจะตายไปแต่เมื่อเขาทำกันก็ต้องทำตามเขาไปสังเกตเราไม่ค่อยพาดผ้าเท่าทไหร่นิมานี่ก็ไม่ไม่เอาผ้ามาพาดบนไหลเพราะมันเก ก, กะ ไม่ได้ใช้อะไรแต่ทำตามธรรมเนียมเพื่อรักษาผ้าสามผืนไว้ไม่ให้หายเพราะสมัยก่อนผ้าหายากไม่มีการถวายผ้าพระต้องไปเก็บผ้าผ้าห่อศพที่มีอยู่ในป่าชา้าแต่ต่อมามีพระมาบวชกันมากขึ้นผ้าในป่าช้าก็ไม่พอขาดตลาด พระที่มาบวทีหลังจะไปเอาผ้าบางสกุลไปหาในป่าช้าก็หาไม่มีหรือหาได้น้อยเอามาทำได้ก็ทำจีวรผืนเดียวแต่เวลาถ้าไปนุ่งห่มไปแล้วไปเจอฝนฟ้าอากาศฝนตกก็เปียกก็จะไม่มีผ้าเปลี่ยนพระพุทธเจ้าเห็นความเดือดร้อนของพระเรื่องที่ไม่มีผ้ามาเปลี่ยนก็เลยทรงเมตตา บอกญาติโยมให้ถวายผ้ากะถินนนะที่มาของผ้ากะถินเพราะผ้าป่ามันขาดตลาดไปเก็บผ้าป่ามาเก็บมาทำได้แค่ผืนเดียวไม่สามารถทำได้สามผืนคือผ้าที่ห่มนี่เลยต้องบอกญาติโยมว่าก่อนจะถวายผ้าให้กับพระได้แล้วก็เลยมีธรรมเนียมถวายผ้ากะถินมา ตั้งแต่บัดนั้นนี่คือเรื่องของความมากน้อยในการใช้ผ้าญาติโยมก็สามารถเอาตัวอย่างนี้มาใช้กับตนได้ใช้ผ้าเพื่ออะไรใช้เพื่อเพื่อหอ่อหุ้มห่อร่างกายนี้เสื้อผ้ามีหน้าที่เท่านี้มีหน้าที่มาหุ้มห่อร่างกายมาปกปิดอวัยวะต่างๆะ แล้วก็ป้องกันอากาศหนาวเย็นที่จะมาทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยป้องกันมแมลงสัตว์กัดต่อยที่มาจะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ยันไม่ว่าจะเป็นผ้าชนิดไหนก็ใช้ได้ทั้งนั้นไม่จาเป็นจะต้องสรรหาผ้าที่มีราคาแพงๆผ้าไหมผ้าอะไรผ้าที่มีอะไรเครื่องประดับติดมาด้วย อันนี้เป็นความฟุ่มเฟือยโดยใช่เหตุไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเหมือนกับใช้ผ้าธรรมดาเหมือนกับใช้ผ้าผ้าห่อศพแต่เราไม่มีศพผ้าห่อศพสมัยนี้เราก็ซื้อผ้าถูกๆก็ได้ผ้าที่เขาเรียกผ้าดิบก็ได้ใช้ผ้าดิบก็เป็นผ้าเหมือนกันเอามาตัดเย็บเสื้อผ้าใส่ได้เหมือนกัน ถ้าเราต้องการลดแห่งธรรมจริงๆเราก็จะไม่ต้องมีเสื้อผ้าไว้สำหรับเข้าสังคมต่างๆไม่ต้องมีชุดแต่งงานชุดงานศพชุดงานเลี้ยงชุดอะไรต่างๆชุดกีฬาชุดออกกำลังกายชุดนอนชุดอยู่ในบ้านเราใส่มันชุดเดียวอยู่คนเดียวอยู่ไปที่เวลาเราไป ไปปี ก, ปกวเวกเราก็อยู่คนเดียวเราก็ใส่ชุดเดียวนี้ได้ทั้งวันยี่สี่ชั่วโมงใส่ตั้งแต่เป็นชุดนอนเดินมาก็ไปเป็นชุดรับประทานอาหารอยากชุดรับประทานอาหารก็เปชุดปฏิบัติธรรมใส่มันชุดเดียวพอมันสกรปรกเราก็เปลี่ยนซักเราก็มีสำรองไว้อสองชุด ชุดหนึ่งไว้เผื่อเวลาฝนตกซักแล้วยังไม่แห้งก็มีชุดสำรองไว้ถ้าเราเป็นผู้แสวงหาลแถแห่งธรรมจริงๆก็เอาแค่สามชุดก็พอรองเท้าก็คู่เดียวก็พอรองเท้าแตะใส่ได้ทุกโอกาสไม่ว่าจะเดินจงกรมไม่ว่าจะไปทำอะไรไปทำกับข้าวอาหารไปหาอาหารมารับประทาน ทำความสะอาดใช้รองเท้าคู่เดียวก็พอถ้าเป็นผู้แสวงหาลดแห่งธรรมแล้วนี้จะไม่วุ่นวายกับเรื่องการใช้สอยปัจจัยสี่จะเอามักน้อยจริงๆเสื้อผ้าก็เอาแค่สามผืนก็พอที่อยู่อาศัยก็ขอให้มีที่มุงที่บงังกันแดดกันฝนได้ก็พอมี กระตอบหรือมีหลังคาไว้แล้วก็มีที่ให้เรานั่งให้เรานอนได้ก็พอแล้วก็มีทางเดินจงกรมเทนนี้ก็พอสาหรับที่อยู่ของผู้ปฏิบัติขอให้ที่ที่อยู่นั้นมันเงียบสงบไม่ต้องเห็นใครไม่ต้องเจอใครไม่ต้องได้ยินเสียงของใครอยู่อยู่กับเสียงลมพัดเสียง สัตว์ร้องเสียงนกเสียงกาอะไรต่างๆเสียงเหล่านี้ไม่มาลบกวนใจไม่เหมือนเสียงคนพอได้ยินเสียงคนนี่ใจมันเกิดอารมณ์ขึ้นมาทันทีเห็นรูปของคนนี่เกิดอารมณ์ขึ้นมาทันทีทำให้ใจไม่สงบใจที่สงบ ก, ก็จะกระเพื่อมขึ้นมาต้องเป็นที่ห่างไกลจากคนจากเรื่องราวต่างๆ เหตุการณ์ต่างๆสถานที่ของผู้ที่ปฏิบัติที่อยู่อาศัยของผู้ปฏิบัติส่วนยารักษาโรค ก, ก็รักษาไปตามมีตามเกิดสมัยพุทธกาลท่านกาสายยาสมุนไพรดองน้ำมูดดองน้ำปัสสาวะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดื่มมันเจ็บท้องปวดศีรษะอะไรก็ดื่มยาพวกนี้ไปมันก็อยู่ได้ สมัยก่อนเขาก็ไม่มีโรงพยาบาลเหมือนพวกเรามีกันสมัยนี้เขาก็อยู่กันได้ตายกันได้เหมือนกับเราเรามีโรงพยาบาลมีหมอมียาเราก็อยู่กันได้ตายกันได้เหมือนกันอายุก็เท่าๆกันสมัยพุทธกาลก็แปดสิบเก้าสิบก็มีพระพุทธเจ้าก็แปดสิบร้อยหนึ่งก็มีสาวกบางรูปอายุยืนยาวนานถึงร้อยก็มี สมัยนี้มีอยู่มียามีหมอมีโรงพยาบาลก็ตายเหมือนกันฉะั้นอย่าไปกังวลกับเรื่องหมอกับยาอะไรเลยสมัยนี้กลับไปเครียดกับการรักษากันต้องคอยตรวจเลือดกันทุกเดือนต้องบางคนตรวจกันทุกเช้าดูน้ำตาลขึ้นกี่ขีดดูตอนกินเสร็จอย่าไปดูตอนที่มันกินเสร็จแล้วก็ไป ถ้าไม่กินของหวานมันจะขึ้นได้ยังไงใช่ไหมก็รู้อยู่นี่ว่าอะไรทําให้น้ําตาลมันขึ้นก็อย่าไปกินมันเท่านั้นเองก็ไม่เห็นจะต้องไปคอยตรวจน้ําตาลว่าขึ้นเท่าไหร่แต่ความอยากมันห้ามใจไม่อยู่ะพอเจออาหารจานโปรดแล้วอเบรกมันไม่ไหวกินมากก็เรียกว่ายัดไม่ได้กินถ้ากินด้วยความอยากนี่เรียกว่ายัดเนี่ย แถ้ากินด้วยเหตุด้วยผลเรียกว่ากินถ้ากินด้วยความมากน้อยสันโดสนี่เรียกว่ากินกินพอประมาณวิธีที่จะกินพอประมาณคืออยากกินให้มันอิ่มกินให้มันไม่หิวตอนต้อนนี้หิวนถ้ากินมื้อเดียวนี้จะรู้ถึงเวลาที่จะกินนี้มันมันหิวพอกินไปสักระยะหนึ่งความหิวมันหายไปแต่ความอิ่มยังไม่มาะ ตอนนั้นควรจะหยุดนะอย่ากินต่อไปอย่ากินจนกระทั่งมันอิ่มนะมันจะกินมากไปกินพอมาให้มันไม่หิวแล้วก็เดื่มน้ําตามเข้าไปเดื่มน้ําสักแก้วสองแก้วเทนี้อิ่มละถ้าอิ่มน้ํานี่มันอิ่มไม่นานอิ่มเดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยวมันก็หายแล้วมันก็จะทําให้ไม่ง่วงนอนมันก็จะทําให้ มีกำลังที่จะไปปฏิบัติไปเดินจงกรมนั่งสมาธิต่อได้นี่คือความมากน้อยในเรื่องของปัจจัยสี่หรือความสันโดษเคยยินดีตามมีตามเกิดถ้าไม่ได้ตามความมากน้อยก็ได้น้อยกว่าก็ให้ยินดีไปตามมีตามเกิดบางวันอาจจะกินได้แค่ครึ่งครึ่งหนึ่งมีอาหาร เป็นพระนี่บินธบาตไม่แน่บางวันก็ได้อาหารมากบางวันก็ได้อาหารน้อยบางวันก็ก็ยินดีตามมีตามเกิดไปอย่าไปวุ่นวายกับมันมากจนเกินไปร่างกายมันไม่ตายจากการขาดอาหารมื้อเดียวหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็มีมากก็กินเกินเผื่อมันก็ได้กินทดแทนก็ได้ชดเชยตราบใดที่ทำให้ร่างกายมันอยู่ได้ก็ใช้ได้แล้ว แล้วมันจะได้ไม่มาเป็นเรื่องที่ให้เราต้องมาคอยกังวลมาวุ่นวายกับการหาปัจจัยสี่อยู่แบบเรียบง่ายอยู่แบบตามมีตามเกิดนี้สบายจะได้มีเวลามาทำใจให้สงบให้สบายมากยิ่งขึ้นถ้าใจไปวุ่นวายกับการหาปัจจัยสี่นะมันจะไม่มีกระจิตกระใจที่จะมานั่งสมาธิทำใจให้สงบ เมื่อแต่ริโตกกังวลกับปัจจัยสี่ว่าจะพอหรือไม่จะดีหรือไม่ฉะนั้นต้องใช้ความมักน้อยแล้วจะแก้ปัญหาอุปสรรคที่ขวางกัน้นการบําเพ็ญได้ต้องพยายามมีความมักน้อยหรือมีความสันโดษอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าได้น้อยกว่า ก็ต้องสันโดษยินดีไปตามที่ได้มาควรจะได้สองจานแต่ได้จานเดียวก็กินมันแค่จานเดียวไปคิดว่าวันนี้กินน้อยหน่อยไม่ตายก็แล้วกันเดี๋ยวพวกนี้ค่อยกินใหม่นี่คือเรื่องของความมากน้อยสันโดษที่จะทำให้จิตใจไม่ต้องมาวุ่นวายกับการเลีเ้ยงดูร่างกายมากจนเกินไป เพร่างกายนี้ถึงแม้จะเลี้ยงดูมันดีขนาดไหนมันก็มันก็จบลงที่เดียวกันนะมันก็จบลงที่ความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกันเลี้ยงดูแบบพระเจ้าแผ่นดินเลี้ยงดูแบบขอทานมันก็ไปจบที่เดียวกันนะมันก็ไปแก่ไปเจ็บไปตายเหมือนกันะแต่เลี้ยงดูแบบพระเจ้าแผ่นดินนี้มันวุ่นวายไหมกว่าจะต้องมีคนมาบริการอมี เครื่องใช้ไม่สอยอะไรเยอะแ ย, ยะไปหมดกว่าจะกินทั้งมื้อหนึ่งนี่เป็นเรื่องใหญ่โตถ้ากินแบบขอทานนีม่มันง่ายมีอะไรใส่เข้าไปในกะลามันก็กินกันแล้วมันก็อิ่มเหมือนกันมันก็ทําให้ร่างกายหายหิวเหมือนกันแก้ปัญหาได้เหมือนกันแต่แก้แบบวุ่นวายหรือแก้แบบไม่วุ่นวายไม่ยุ่งยากเท่านั้นเองถ้ากินแบบเศรษฐีกินแบบอ ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจก็จะกินแบบยุ่งยากต้องเลือกที่กินต้องเลือกโต๊ะนั่งเลือกคนเสิร์ฟอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลือกอาหาริกีกกว่าจะได้กินก็ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวอกีกกว่าจะได้กินที่เหนื่อยจะกินแบบขอทานดีกว่าง่ายดีเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พระอยู่แบบขอทานเนี่ยแต่เป็นเพียงแต่เป็นทะ ขอทานที่มีศีลขอทานที่มีมารยาทไม่กินแบบมุมมามเวลากินนี้ห้ามกินแบบส่งเสียงดังจุ๊บจับกุบกับอะไรนี้บังคับให้กินแบบสำรวมให้กินแบบสวยงามพระนี่ถึงแม้จะกินแบบขอทานแต่กินแบบสวยงามกินในบาตรไม่ต้องใช้ช้อนใช้มือเนี่ยกินแบบขอทานแต่กินด้วยความเรียบร้อยไม่กินด้วยความมุมมาม ไม่ส่งเสียงดังกุบกับจิบจับอะไรต่างๆเลยนี่คือลักษณะของการกินแบบเรียบง่ายไม่ยุ่งยากบินระบาทกลับมาจัดอาหารใส่บาตร ป, ปุบ๊บปั๊บฉันกันครึ่งชั่ว โ, โมงโชั่วโมงก็เสร็จเรียบร้อยนะเก็บกวาดล้างบอกล้างบาตรใส่ก็หมดเริ่มกินไปแล้ววันนั้นไปบินค ไปเดินจงกรมไปบำเพ็ญความเพยียรต่อไปได้ถ้ามัวแต่ยุ่งกับเรื่องการกินยิ่งมีจานมากชามมากถ้วยมากช้อนมากเดี๋ยวก็ต้องมานั่งล้างกันอีกถ้าไม่นั่งล้างก็ต้องไปจ้างคนมาล้างให้จ้างคนมาล้างก็ต้องมีเงินจ่ายเขาอีกก็ต้องไปหาเงินมาจ่ายเขาอีกมันก็ต้องหนีไม่พ้นเรื่องการ ทำนู่นทำนี่ไม่ไม่ล้างจานเองก็ต้องไปหาเงินมาจ้างคนเขามาล้างให้เราอยู่ดีแต่ถ้ากินแบบง่ายๆกินชันในบาทกินมือเดียวนี่เวลาล้างจานก็ไม่มีมีบาทใบเดียวชามช้อนก็ไม่มีช้อนก็ใช้มือี่นนี่แหละความเรียบง่ายของการบริโภคปัจจัยสี่ของพระพุทธเจ้า ที่ส่งได้ปฏิบัติแล้วก็ส่งเอามาสอนพระภิกษุที่มาบวชให้อยู่แบบเรียบง่ายจะได้ไม่มาสร้างปัญหาไม่มาสร้างอุปสรรคที่จะมากีดขวางการบำเพ็ญ น, นั่นเองกินมากก็จะทำให้ง่วงมีกินแบบยุ่งยากก็ต้องเสียเวลากินแบบง่ายๆไม่เสียเวลา กินปุ๊บล้างเสร็จก็หมดปัญหาไปไม่ต้องไปจ้างคนมาล้างบาตไม่ต้องจ้างคนมาตั้งโต๊ะมาจัดโต๊ะให้อะไรให้ทำเองทุกอย่างเนี่ยกินแบบขอทานกินแบบนี้ไม่ไม่ต้องไปจ้างใครถ้ากินแบบคนรวยนี่ต้องมีคนรับใช้มีคนมาจัดโต๊ะมีคนเสิร์ฟมีคนร้างถ้วยล้างชามก็ต้องมีเงินจ่ายเขา มีเงินเลี้ยงดูเขาก็ต้องไปหาเงินมาเลี้ยงดูเขาอีกเลี้ยงดูตนเองแล้วยังไม่พอยังต้องไปเลี้ยงดูคนอื่นอีกหาเรื่องมาใส่หัวแท้ๆหาเห่ามาใส่หัวโดยไม่รู้สึกตัวเพราะความอยากจะหรูหราอยากจะโกเคอยากจะสุขอยากจสบายสบายตอนกินแต่ตอนมาจ่ายมันไม่สบายมันก็ต้องไปดินน้นรนหาเงินหาทองมาจ่ายเขา น, นี่คือตัวอย่างของความมักน้อยสันโดษถ้าเราอยากจะสัมผัสกับรถแห่งธรรมพยายามทํางานเกี่ยวกับเรื่องร่างกายให้มันน้อยที่สุดเพราะว่าเราจะได้เอาเวลามาสร้างรถแห่งธรรมกันนั่นเองถ้าเราเอาโม่แต่เอาเวลาไปเลี้ยงดูร่างกายเวลาที่จะเอามาสร้างรถแห่งธรรมก็จะมีเหลือน้อยแล้วก็จะได้นิดเดียว แทนที่จะได้เป็นตุ่มก็ได้แค่ขันสองขันนั่นเองถ้าเรายังไปกังวลเรายังไปวุ่นวายไปยุ่งยากกับการกินอยู่ทางร่างกายกันอยู่พระพุทธเจ้าเลยต้องสอนให้เรามักน้อยสันโดษในเรื่องการ <c oughs> บริโภคปัจจัยสี่แล้วแล้วก็สอนให้เราหาที่อยู่ที่สงบ ที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆเพราะแสงสีเสียงนี้มีอิทธิพลต่อจิตใจของเราจะสร้างการว่าฉันทะให้เกิดเวลาได้ยินเสียงเพลงนี่อยากจะร้องรำทําเพลงขึ้นมาเวลาได้ยินเสียงภาพยนตร์ก็อยากจะดูเนี่ยต้องพยายามไปอยู่ที่ไกลๆที่ไม่มีอมอห์ลสพบันเทิงต่างๆมาเย่อหยวนกวนใจเนีต้องไปอยู่ตามป่าตามเขาเนี่ย ที่มีแต่เสียงนกเสียงวิเสียงใบเสียงลมพัดเนี่ยไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจรูปก็ไม่เป็นพิษรูปก็มีแต่รูปต้นไม้รูปของสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ไม่เป็นอันตรายไม่มารบกวนใจเหมือนกับรูปของคนของคนสวยๆงามๆแต่งตัวสวยๆงามๆเห็นแล้วจะทำให้เกิดกามอารมณ์ขึ้นมาเกิดกามฉันทะขึ้นมา พอเกิดการอารมณ์แล้วไม่มีกำลังใจที่จะไปพุโทโธละไม่มีกำลังใจที่จะไปนั่งสมาธิละใจมันจะฝันมันจะนึกถึงภาพเหล่านั้นแล้วก็มาปรุงแต่งอยู่ในใจนั่นแหละ น, นี่ทำไมถึงต้องไปปีกวิเวกเพื่อที่จะได้สารวมตาหูจมูกลิ้นกา ย, ยสารวมอินทรีย์เพราะถ้าไม่สารวมถ้าปล่อยให้รูดเสียงกิรรดเข้ามา มันจะมาสร้างนิวอ์คือกามาชันทะขึ้นมาสร้างความฟุ้งซ่านขึ้นมาในใจนั่นเองเราจะทำให้ภาวนาไม่ได้พุทธโธไม่ได้เพราะใจถูกกามฉันทะครอบงำเสียแล้วแต่ถ้าอยู่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆกามาชันทะก็จะไม่เกิดใจก็จะไม่มีอารมณ์มาครอบงำ ใจก็จะสามารถเจรานสติได้อย่างง่ายดายพุทโธไปควบคุมความคิดปรุงแต่งเพียงอย่างเดียวไม่ต้องมาคอยควบคุมรูปเสียงกลิ่นรสที่เข้ามาด้วยเเรามีข้าศึกศัตรูเข้ามาถึงหกทางด้วยกันเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายคือรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพ้าแล้วเข้ามาทางใจผ่านทางความนึกคิดอีกอันหนึ่งถ้าเราปิดทั้งห้าทางก็เหลือแค่ทางเดียว ถ้าเราปิดตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการไปปีกวิเว้ด้วยการไปอยู่ที่กาจากรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะรูปเสียงกลิ่นลดผลธพะก็เข้ามาในใจไม่ได้ก็เหลืออยู่ตัวเดียวที่ยังมาทำให้ใจไม่สงบก็คือความคิดปรุงแต่งต่างๆก็เราเรากำจัดฆ่าศัตรูไปห้าตัวหรือว่าตัวเดียวสู้ตัวหนึ่งต่อหนึ่งมันง่ายกว่าหนึ่งต่อหกนะ ถ้ามันมาทั้งหกนี่มาไม่รู้จะสู้มันยังไงเดี๋ยวก็มาทางเสียงเดี๋ยวก็มาทางรูปเดี๋ยวก็มาทางกลิ่นแต่นี่มาทางเดียวมาทางความคิดเราก็ใช้สติสู้กับมันใช้กรรมฐานเจริญพุทโธสู้กับมันได้นี่คือประโยชน์ของการไปปีกเวกเป็นการไปป้องกันไปการปิดประตูไม่ให้ข้าศึกเข้ามาห้า ห้ 5, ทางด้วยกันเหลือประตูเดียวที่เรายังปิดไม่ได้การปิดเว้เวกนี้ไม่สามารถทําให้ใจหยุดคิดได้แต่สามารถทําให้ไม่รับรู้เรื่องรูปเสียงกดลิ่นรสต่างๆได้เพราะอยู่ห่างไกลจากมันอยู่ห่างจากไกลจากรัทธิของขอ ง, ของเครื่องส่งของรูปเสียงกดลดิ่นรสอยู่ในปาน่าเนเขาก็จะไม่ได้ยินเสียงอะไรไม่ได้เห็นรูปอะไรมันก็จะไม่มี อำนาจมีอิทธิพลที่จะมาสร้างการมาฉันทะให้เกิดขึ้นในใจใจก็จะเหมือนกับได้กาจัดศัตรูฆ่าศึกศัตรูเลืกปิดประตูกันไม่ให้ฆ่าศึกศัตรูเข้ามาห้าประตูหรือว่าประตูเดียวที่จะต้องมาใช้สติคอยคอยปิดคอยกั้นมันเท่านั้นเองมันก็จะง่ายระหว่างที่จะต้องสู้กับทั้งหกทางกับสู้ทางเดียวเนี้ยอันไหนจะง่ายกว่ากัน นี่แหละคือความฉลาดของพระพุทธเจ้าที่รู้ค่าศึกษัตรูตที่จะมากีดขวางการสร้างลดแห่งธรรมให้เกิดขึ้นนี้คืออะไรก็คื อ, อรูปเสียงกลิ่นรสผลพัพนต่างๆนีงที่เราจะต้องปิดประตูปิดตาหูจมูกนิ้นกายด้วยการไปปีกวิเวกไปอยู่ที่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ พออยู่คนเดียวทีนี้ก็เหลือตัวเดียวที่ยังมาสร้างความไม่สงบให้กับใจก็คือความคิดปรุงแต่งเราก็ใช้กรรมฐานพุทโธบริกรรมพุทโธพุทโธสู้กับมันไปเดี๋ยวความคิดต่างๆมันก็จะหยุดเอแล้วใจก็จะสงบจะได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมเป็นครั้งแรกถ้าได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมแล้วทีนี้ไม่สงสัยสิปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นะ ตอนนี้พวกท่านยังอาจจะเป็นเหมือนพวกที่เพียงแต่ได้ยินได้ฟังแต่ยังไม่ได้เห็นกับตนเองความยินดีที่จะหาลดแห่งธรรมยังอาจจะไม่เกิดแต่ถ้าท่านลองได้ไปฝึกหัดได้ไปปฏิบัติแล้วได้สัมผัสกับลถแห่งธรรมแม้จะเป็นเพียงแค่งูลาบเล่นก็ตามครั้งแรกๆนี้จะเป็นแบบเดียวเดียว พอกําลังสติมีไม่มากพอที่จะให้ได้สัมผัสรับรู้เหมือนได้ชิมรสแห่งธรรมพอได้สัมผัสได้ชิมแล้วทีนี้จะเกิดศรัทธาจะเกิดฉันทะวิริยะขึ้นมาโดยอัตโนมัติทีนี้ไม่อยากจะไปเสพอย่างอื่นแล้วอยากจะเสพรสแห่งธรรมที่มันวิเศษกว่ารสทั้งปวงนั่นเองพอเราได้สัมผัสแล้วทีนี้ความ เพียงมันจะมาเองความยินดีในธรรมมันจะมาเองไม่ต้องบังคับแต่ช่วงแรกๆนี้เราต้องบังคับมันช่วงที่เรายังไม่ได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมนี้เรายังไม่รู้ว่ามันวิเศษอย่างไรเราต้องอาศัยศรัทธาความเชื่อในคำสอนคำสอนของพระพุทธเจ้าและของพระอริยสงสาวกทั้งหลายอาศัยความเชื่อนี้คอยบังคับให้เราให้มายินดีกับธรรม ให้ยินดีกับการหาธรรมที่จะนำไปสู่ลดแห่งธรรมหรือเรามายินดีปฏิบัติมากน้อยสันโดษ ย, ยินดีปริกวิเวกยินดีจากการไม่คุกคีกันอยู่ตามลำพังคนเดียวเพราะถ้าไปคุกคีกันมันก็มีรูปเสียงของคนอื่นมาเข้ามาทางใจแล้วก็อาจจะทำให้เกิดนิวร์เช่นเกิดความไม่พอใจก็ได้ ถ้าเกิดเขาพูดอะไรไม่ถูกใจเราก็อาจจะเกิดความไม่พอใจเกิดความโกรธขึ้นมาอีกแต่ถ้าอยู่คนเดียวแล้วก็จะไม่มีปัญหาไม่มีการสร้างนิวรณ์จากคนอื่นๆถ้าต้องาทากิจกรรมร่วมกันก็ไม่คุยกันไม่สนทนากันไม่มีปฏิสนไม่มีปฏิสัมพันธ์กันต่างคนต่างทากิจของตนรับประทานอาหารการรับประทานไป น้างถ้วยล้างชามกวาดทูสาาลากวาดวานวัดก็กวาดกันไปไม่ต้องคุยกันไม่ต้องคุกขีกันทำเสร็จก็แยกกันไปกลับไปสู่ที่พักของตนที่ปฏิบัติของตนนี่คือแนวทางของการปฏิบัติที่จะนำให้ได้เข้าถึงลดแห่งธรรมนั่นเองคือต้องมักน้อยสันโดษต้องปีกวิเวกต้องไม่คลุกขีกัน แล้วต้องมีความเพียรเพียรที่จะเจริญสีสมาธิและปัญญาพอเราปฏิบัติอย่างนี้แล้วเราก็จะมีเวลาได้สร้างความเพียรถ้าเราไม่คุก ค, คีกันเราก็จะมีเวลาไปปฏิบัติถ้าเราหมักน้อยสันโดษเราก็ไม่ต้องเสียเวลากับการเลี้ยงดูร่างกายมากจนเกินไปเราก็จะได้มีเวลาไปสร้างสีสมาธิปัญญากัน เดินจงกรมนั่งสมาธิจเจริญพุโทโธพุโทโธอยู่ในใจเดี๋ยวไม่นานจิตก็จะสงบะถ้าทําอย่างนี้อย่างต่อเนื่องไม่นานรับประกันได้พระพุทธเจ้ารับประกันไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีอยู่ที่ความเพียรความพยายามของแต่ละคนว่าจะเพียรเจริญสติในเบื้องต้นนั้นได้ก่อนหรือไม่ถ้าได้สติทําจิตให้สงบเป็นอัปปนาสมาธิได้แล้ว ทีนี้ก็สามารถขึ้นสู่ขั้นปัญญาได้ในพิจารณาใจลักในสอนใจให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราเช่นลาบยศสรรเสริญเช่นรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมันเป็นความสุขปลอมมันเป็นความสุขชั่วคราวเวลามันหมดไปมันจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาให้เห็นว่าทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นสุขนี้มันเป็นความทุกข์ความสุขนั้นมันเป็นความสุขปลอม เป็นความเป็นเหมือนกับดักของความทุกข์เนี่ยเวลาเราเขาจะจับปลานี่เขาจะตกปลานี่เขาเอาเหยื่อไปห้อยติดอยู่ที่ปลายเบ็ดเนี่ยเวลาปลาเห็นก็คิดว่าโอ้เจออาหารนันโอชะแล้วแต่ไม่เห็นตัวเบ็ดนั่นเองพอไปฮุบเหยื่อเขา้าก็จะถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวเขา้าถ้าเรายังหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสหาความสุขจากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ เราจะต้องเจอความทุกข์เพราะมันมีเบ็ดซ่อนอยู่ในภายในสิ่งเหล่านั้นเองคือความทุกข์ความทุกข์คืออะไรคือความความไม่เที่ยงของความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆนั่นเองมันเป็นความสุขชั่วคราวเดี๋ยวพอความสุขนั้นหายไปความทุกข์ก็จะโผล่ขึ้นมาพอหุบเหยื่อกินเหยื่วก็ไปหมดปั๊บก็เหลือแต่แตะขอเบ็ดเกี่ยวปาก ให้คิดอย่างนี้ทางปัญญาให้คิดว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นตายรักไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามภายนอกภายนอกร่างกายก็เป็นตายรักตัวร่างกายเองก็เป็นตายรักภายในใจก็เป็นตายรักความสุขที่มีอยู่ภายในใจก็เป็นตายรักแม้ความสุขที่ได้จากความสงมบจากสมาธิก็เป็นตายรักเหมือนกันเมื่อถึงเวลาก็ต้องปล่อยหมดต้องพิจารณาแล้วก็ปล่อยหมด ถ้ายังมีความอยากอยู่ต้องตัดมันพอตัดมันนะทีนี้ความอยากก็หมดพอความอยากหมดนี่ความสุขที่แท้จริงก็จะโผล่ขึ้นมาความสุขที่ไม่มีวันหมดไม่มีวันเสื่อมก็จะโผล่ขึ้นมานี่แหละคือรถแห่งธรรมนิพพานังปรมังสุขขังที่จะเป็นรถที่แท้จริงรถที่ถาวสรสมาธิเป็นรถชั่วข่าวเป็นรถที่ จะพาให้เราไปสู่รถที่ถาวรต่อไปเป็นบัตรเป็นขั้นบันไดที่เราจะต้องอาศัยก้าวขึ้นไปแต่เราจะไม่ยึดติดกับขั้นบันไดเราใช้บันไดเพื่อพาให้เราไปถึงถึงชั้นที่เราต้องการไปถ้าเรายังติดอยู่กับกับขั้นบันไดเราก็จะไปไม่ถึงชั้นที่เราต้องการไปเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องสละเลิ เลิกหาความสุขจากสมาธิเราก็ต้องเลิกเราก็ต้องปล่อยพอเราปล่อยแล้วความอยากที่ทำให้เราติดอยู่กับสมาธิอยู่กับขั้นบันไดมันก็จะหลุดเราก็จะได้ก้าวขึ้นสู่ชั้นที่เราต้องการไปได้คือชั้นของความสุขที่ถาวรต่อไปคือชั้นของพร น, นิพพานนี่แหละคือเรื่องของลแถแห่งธรรมที่เอามาฝากท่านในวันนี้ถ้าท่านราลึกถึงลแถแห่งธรรมชนะลถทั้งปวง การยินดีในธรรมชนะการยินดีทั้งปวงก็จะจะนำให้ท่านได้ไปสู่การขวนขวายการหาลดแห่งธรรมต่อไปและเมื่อมีการขวนขวายมีการค้นหาไม่ช้าก็เร็วก็จะมีการได้สัมผัสกับลดแห่งธรรมอย่างแน่นอนก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังปกับปติอิทิตังปฏทิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจฉาตุสัพเพโุเรนตุสังกปาจันโทปนะราโสยะถามณีโชติ อระโสยะาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตปาวะโตอันตารายโยสุขีทีขาโยโกภาวอภิวาทานสีลิสะนิจจังวุฒาปะจายโนจตารโหธรมมวัฏฐานติ อายุวโนสุขังพาลางังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครอยากจะถามอะไรเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะหลังจากเลิกแล้วจะของหมดเพราะไม่สะดวกต้องทำอะไรอย่างอื่นต่อ อยากถามถามในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาวันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook มี411ท่านค่ะทาง y o u t u b บ356ท่านค่ะวิทยุออนไลน์8ท่านค่ะผู้ท่องฟังบนเขา45ท่านค่ะรวมทั้งหมด820ท่านเจ้าค่ะ ใครอยากจะถามถามได้นะถ้าอยา่างมีทางบ้านก็ถามได้เลยคำถามจากทาง facebook ค่ะจากคุณเพชรน้ำหนึ่งขอโอกาศครับพอเวลาทำความเพียรเข้าไปสักระยะหนึ่งก็จะมีอารมณ์ติดอยู่กับการดูรูปที่สวยงามและเกิดอารมณ์ปรุงแต่งและบางครั้งก็เกิดโทสะขึ้นมาอย่างรุนแรงแต่ก็พยายามดูอย่างมีสติอารมณ์เหล่านี้ เกิดเกิดดับดับทำให้รําคาญใจอยู่เนืองๆและการภาวนายิ่งบริกรรมเหมือนจิตหนึ่งมีพุโทโธแต่จิตหนึ่งวิ่งหาอารมณ์ไม่สงบเลยมันติดอยู่แบบนี้บางครั้งคิดด้วยปัญญามันก็หายไปพักหนึ่งแต่ก็ติดแบบนี้อยู่เป็นประจำควรแก้ไขยอย่างไรครับสาธุครับควรสร้างสติให้มีมากขึ้นสติมีกาลังซื่อความคิดปรุงแต่งไม่ได้ น้นต้องฝึกสติก่อนมานั่งไม่ใช่จะมาฝึกสติตอนที่นั่งอย่างเดียวต้องฝึกตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปหรือสวดมนต์ไปภายในใจก็ได้แล้วมันจะทำให้มีสติมากขึ้นเวลานั่งสมาธิความคิดปุงแต่งก็จะเบาลงสิ่งต่างๆที่ปรากฏก็จะน้อยลงไปแต่อย่าไปดูมันยิ่งดูมันยิ่งขึ้นใหญ่ ให้กลับมาที่พุโทโธพุโทโธถึง แ, แม้ว่ามันยังมีการปรุงแต่งอยู่ก็ไม่เป็นไรขอให้เรามีพุโทโธคอยสู้คอยต้านมันไปก่อนก็ยังดีกว่าคำถามจากคุณเจษดาค่ะขอสอบถามพระอาจารย์ครับเวลาผมทำบุญผมก็อยากทำบุญกับพระอริยะอยากให้ท่านฉันอาหารที่ผมถวายเวลาถวายปัจจัยหรืออื่นๆก็อยากถวายกับมือด้วยตัวเอง อยากให้ท่านใช้ของนั้นนั้นเพราะหวังในบุญจากพระที่สามารถสร้างประโยชน์แก่คนหมู่มากด้วยความอยากนี้ตายไปผมจะมีโอกาสไ้เกิดเป็นเปรตหรือไม่ครับ อ, อ๋อไม่เกิดเป็นเปรตหรอแต่มันมาเป็นกิเลสแทนที่จะเป็นธรรมแทนที่ธรรมให้เรามีความสุขเรากลับมาวุ่นวายกับการที่จ ะ, ะคอยดูว่าท่านจะรับกับมือของเราใช้ของเราหรือเปล่า ความสุขที่จะได้คือบุญที่จะได้ก็ถูกตัดไปด้วยความอยากของเราดังนั้นการทําบุญที่ถูกต้องต้องอย่าไปมีความอยากให้ผู้รับเขาเอาไปทําอะไรหรือไม่ขอให้เขารับก็พอให้เขาแล้วเขารับไปเขาจะเอาไปใช้เองเอาไปให้คนอื่นใช้นี่ไม่ได้เป็นเรื่องของเราแล้วไม่องั้นเราก็จะวุ่นวายใจอย่างนี้ทําบุญแล้วไม่ได้บุญหรือได้น้อย ถ้าเราทาแบบปล่อยวางเป็นของท่านแล้วแล้วแต่ท่านจะเห็นสมควรเราก็จะมีความสุขใจอิ่มใจท่านใช้เองก็แฮปปี้ท่านให้คนอื่นใช้ก็แฮปปี้เพราะท่านจะไปใช้ทุกอย่างได้อย่างคนเดียวก็ต้องแบ่งให้คนอื่นใช้พระมีต้องยี่สิบการูปดูพระพุทธมารดาของพระเจ้าจะถวายพาพจิวาให้พระเจ้าใช้ ถวายสามครั้งพุะเจ้า ก, ก็บอกเอาไปถวายสงเอาไปถวายพระองค์อื่นเพราะว่าเราใช้คนเดียวมันใช้ไม่หมดนะไม่ไม่ใช่มีผืนเดียวะพระสิพระองค์อื่นเขาไม่มีผ้าจะใช้ไม่ไปถวายเขาอันนี้แหละคือเรียกว่าให้ถวายเป็นสังฆทานอย่าถวายให้เป็นของหลวงพ่ออืถวายแล้วก็หลวงพ่อก็ยกให้สงไปหลวงพ่อก็แบ่งเอาส่วนที่หลวงพ่อจะใช้ได้ไป ส่วนที่ไม่ใช้ก็ยกให้คนอื่นไปสงก็พิจารณาอันไหนสงใช้ได้ก็ใช้อันไหนสงไม่ใช้ก็ยกทาบุญทาทานต่อไปหรือสงไปวัดอื่นต่อไปนี่คือการทาบุญตามแนวของศาสนาเราทำเพื่อแบ่งปันความสุขให้กับคนที่เขาไม่มีไม่ใช่ไปทำกับคนที่มียิงอยู่ทำกับคนที่มีแต่เป็นคนที่เก่งก็ดีจะได้เรียนรู้จากท่านเราก็ ปล่อยให้เป็นความพิจารณาของท่านไปก็แล้วกันว่าสิ่งที่ท่านรับมาแล้วท่านจะเอาไปทำอะไรต่อคํำถามจากทาง youtube ค่ะจากคุณพิทักษ์กราบขออากาศครับในการพิจารณาอาหารสํารวจตัวเองแล้วเห็นว่าอาหารชนิดนั้นๆส่งผลทําให้เกิดอุปสรรคในการภาวนาแล้วเราไม่กินอาหารชนิดนั้นเช่นไม่กินข้าวเหนียว เพราะจะส่งผลให้เกิดความง่วงอันจะเป็นปัญหาทําให้การภาวนาเช่นนี้ถือว่าเป็นปัญญาในการพิจารณาอาหารหรือไม่ครับไม่น่าจะใช่หรอกมันพิจารณากินอะไรก็ได้อย่าให้มันมากเท่านั้นน่ะไอ้ที่เป็นปัญหาเพราะส่วนใหญ่มันเกิดจากกินมากมากกว่าอย่าคนคนอื่นกินข้าวเหนียวเขาก็มีปัญหาก็ทุกคนก็ต้องเลิกินข้าวเหนียวกันหมดเลยอย่างครูบาอาจารย์ท่านใดท่านยังฉันข้าวเหนียวกันอยู่ แต่่านรู้จักประมาณชั้นพอประมาณนอกจากอาหารบางอย่างกินแล้วมันปวดท้องเนี่ยกินกี่ครั้งก็ปวดท้องทุกทีก็แสดงว่านี่อาหารนี้ไม่ถูกกับเราแล้วแต่ถ้าอาหารเข้าหน ó เข้าวเหนียวกินแล้วง่วงนอนก็กินมากเกินไปกินที่มันไม่น้อยไม่มากมันก็ไม่ง่วงฉะนั้นต้องสังเกตดูบางอย่างว่ามันมันมันถูกหรือไม่ถูก เรื่องข้าวเหนียวนี่กินได้ทุกคนอ่ะมันข้าวนี่ยไม่มีอุปสรรคปัญหามากมันปัญหาอยู่ที่ตรงกินมากเท่นั้นมากเกินไปแต่ถ้ากินพอประมาณแล้วไม่มีปัญหาเรื่องข้าวเรื่องผักนี่ไม่มีปัญหาแต่เรื่องอย่างเออ่ น, นี่มีปัญหาได้กินอาหารบางชนิดที่อ่ามีการดมีการดองมีการอะไรกินไปแล้วเดี๋ยวก็อาจจะทำให้ปวดท้องได้เพราะว่ามันของดองนี่มันอาจจะมีเชื้อ อะไรอยู่ในของนั้นไม่เหมือนกับของสุกเนีน่ันก็ต้องพิจารณาว่ามันทำให้เราเจ็บ่ายได้ป่วยหรือเปล่านะคำถามต่อไปจากคุณแต้มค่ะกับเดินถามท่านพระอาจารย์ค่ะดิฉันเห็นในโลกออนไลน์พิมพ์ตำหนิกล่าวว่าครูอาจารย์ดิฉันเห็นแล้วไม่สบายใจเจ้าค่ะควรวางใจอย่างไรหรือปฏิบัติอย่างไรดีเจ้าค่ะ ก็คิดว่าเป็นกองขี้เขาแล้วกันเห็นกองขี้ก็รีบหนีนะอย่าไปเจ้านั่งเจ้าดูมันยิ่งดูมันก็ยิ่งเหม็นเลยพอเห็นว่ามันศกปบกมันไม่ได้เรื่องได้แล้วก็ลบทิ้งไปเลือข้ามไปเปลี่ยนไปดูอย่างอื่นไปเพราะโลกออนไลน์ก็เหมือนท้องถนนหนทางที่เราเดินไปเดินบนทางถนนเดี๋ยวก็มีเจอของศกปบกต้งนั้นเจอเศษขยะตรงนี้ เราจะไปเอามาเป็นอารมณ์ก็เดี๋ยวก็ตายก็ไม่มีความสุขไปไหนไม่ได้ต้องยอมรับสภาพของโลกว่ามันมีส่วนที่สะอาดแล้วส่วนที่สกปรกมีส่วนที่ดีส่วนที่ไม่ดีมันก็เป็นไปตามเรื่องของโลกท่านเรียกว่าโลกของอนิจจังทุกขังอนัตตานี่อตอนนี้คาถามหมดเจ้าค่ะเห็นอะไรที่มันทำให้เราไม่สบายใจเราก็อย่าไปดูมัน อันไปดูสิ่งที่มันทำให้เราสบายใจดีกว่าถ้าฝืนไม่ได้ถ้าจะต้องเจอมันก็ทำใจพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปมีอารมณ์กับมันเือใช้ปัญญาว่าโลกก็เป็นอย่างนี้นะมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีทำใจเฉยๆแล้วก็ผ่านไปได้คำถามจากคุณวันทนีค่ะกับเดินถามพระอาจารย์โจค่ะเวลานั่งสมาธิดูลมหายใจ ควรนั่งอย่างไรไม่ให้ไปบังคับลมหายใจตัวเองเจ้าคะก็เวลาตอนนี้หายใจคุณไปบังคับมันหรือเปล่ามันก็ไม่ได้บังคับมันไม่ใช่คุณก็ปล่อยมันหายใจไปเหมือนตอนที่คุณยังไม่มานั่งสมาธิตอนมานั่งสมาธิก็เพียงแต่เฝ้าดูมันเฉยๆนั่นเองก็ไม่ต้องไปบังคับมันมันหายใจเข้าจะไปบังคับว่ามันหายใจออกได้ที่ไหนมันก็มันก็ต้องหายใจเข้า มันหายใจออกเราไปบังคับให้มันหายใจเข้าได้ที่ไหนมันก็ไม่ได้อยู่ดีไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องอะไรที่อารมณ์ใจของเรามันแบบว่ามันพอมันถูกบังคับไม่ให้ไปทํานู่นทํานี่มันก็เลยเกิดความเครียดขึ้นมาแล้วก็เลยทําให้รู้สึกว่าไปบังคับลมความจริงบนลมนี่เราไปบังคับมันไม่ได้หรอกมันจะหายเวลามันหายใจเข้าเราจะบอกให้มันหายใจออกได้ที่ไหน เวลามันหายใจออกจะสั่งให้มันหายใจเข้าได้ไ ม, มันก็ปล่อยมันไปก็ดูมันไปเท่านั้นเองถ้าดูไม่ได้ดูลมไม่ได้มีปัญหาก็พุโทโธไปไม่ต้องไปดูลมพุโทโธอย่างเดียวไม่ต้องสนใจกับลมพุโทโธไม่ได้ก็สวดมนต์ไปสวดมนต์ไม่ได้ก็ฟังธรรมไปก่อนนี่เป็นอารมณ์ต่างๆที่จะกล่อมใจได้ให้สงบได้ตามระดับของแต่ละอารมณ์ ฟังธรรมก็ช่วยทำให้ใจเบาลงสวดมนต์ก็ยิ่งทำให้เบามากขึ้นพุทธโธก็จะยิ่งทำให้นิ่งเลยนี่มันมีหลายระดับด้วยกันลองทดลองดูถ้าดูลมไม่ได้ก็ลองพุทธโธดูพุทธโธยังมีปัญหาก็สวดมนต์ดูสวดมนต์มีปัญหาก็ฟังธรรมอย่างนี้ไปก่อนคำถามจากทางยู u b e ค่ะกับเรียนถามท่านพระอาจารย์ตอนนี้กาลังฝึกนั่งสมาธิดูลมหายใจ พอลมเริ่มละเอียดแล้วมักจะวูบหลับต้องแก้ไขอย่างไรครับก็ต้องลุกขึ้นมาเดินแสดงว่าสติหมดกำลังลุกขึ้นมาเดินจงกรมสักพักให้มันมีรู้สึกไม่ง่วงแล้วไม่หลับแล้วก็ค่อยกลับไปนั่งใหม่คำถามจากคุณชอบเพชรคะ่ะสติปัฐานสี่ทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้หรือไม่เจ้าคะก็เป็นหลักสูตรที่จะนาไปสู่มรรคผลนิพพาน แต่เราต้องทำตามขั้นตอนไม่ใช่ทำทีเดียวพร้อมกันสี่อันนมันเป็นเรียนวิชาที่เราต้องเรียนสี่ปีนักศึกษาปีหนึ่งต้องเรียนวิชานี้ปีสองก็เรียนวิชานี้ปีสาปีสี่นะอันนี้ก็เหมือนกันขั้นต้นก็ต้องไปที่กายก่อนสติปัฏฐานที่กายก่อนแล้วก็ไปที่เวทนาแล้วก็ให้ไปที่จิตแล้วก็ไปที่ทำตามลำดับต่อไปแต่ังนีม้มีทาถามคะ okay. บางที่อ่านพระสูตรแล้วคิดว่ า, าทําได้อันทีเดียวพร้อมกันรวมกันเวลาทํามันต้องดูว่าเราทําอย่างที่ท่านสอนได้หรือเปล่าขั้นที่หนึ่งท่านบอกให้ไปนั่งใต้โคนไม้แล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกนั่งแล้วจิตสงบหรือไม่นั่งแล้วไม่สงบพระพุทธเจ้าก็บอกให้มาเจริญสติต่อก่อนมาเดินจงกรมมาดูการเคลื่อนไหวของร่างกายดูเรียบที่ ของร่างกายว่าตอนนี้ร่างกายกำลังอยู่ในอริยาบทไหนกำลังยืนก็ให้รู้ว่ากำลังยืนกำลังเดินก็ให้รู้ว่ากำลังเดินกำลังนั่งกำลังนอนก็ให้รู้เฝ้าดูอย่างนี้ไปกำลังทำอะไรก็ให้เฝ้าดูไปไม่ให้ใจไปคิดถึงอดีตไม่ให้คิดถึงอนาคตให้อยู่ในปัจจุบันแล้วก็กลับไปนั่งสมาธิใหม่กลับไปนั่งดูลมหายใจใหม่สลับกันไป จนกว่าใจจะรวมเป็นสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิถึงจะไปขั้นปัญญาของขั้นร่างกายได้ไปพิจารณาร่างกายว่าไม่เที่ยง เ, ออเกิดแก่เจ็บตายร่างกายมีอาการสามสิบสองมีผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นไม่มีใครอยู่ในร่างกายอันนี้ไม่มีตัวมีตนมีแต่อาการสามสิบสองเวลาตายไปก็กลายเป็นดินน้ำลมไฟไปออให้พิจารณา อย่างนี้เรียกว่าปัญญาเพื่อที่จะได้ไม่ไปยึดไปติดกับร่างกายของตนหรือของผู้อื่นของผู้อื่นที่เห็นว่าสวยว่างานก็จะเห็นว่าไม่สวยไม่งามถ้าพิจารณาดูอาการสามสิบสองของร่างกายหรือพิจารณาดูเวลาตายไปแล้วร่างกายจะกลายเป็นอะไรเป็นซากศพสิบชนิดร่างกายที่ตายใหม่ก็เริ่มเน่าก็เริ่มเริ่มพองอืดพองขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็เน่าเปื่อย ถ้าไปทิ้งในปา่าช้าเดี๋ยวก็มีกัดมีสัตว์มากัดมีหมามีอะไรมากัดทำให้ร่างกายจิ้นส่วนของร่างกายแยกไปขาไปทางแขนไปทางมีตัวนอนตัวอะไรมากัดมาแทะมากินเขียวร่างกายพองขึ้นเอือดเขียวช้ำขาดเป็นท่อนๆนี่นี่คือสร้างศพสิ่งชนิดที่แสดงไว้ในสติปัฏฐานสีใน ในส่วนของร่างกายนี่คือเราต้องศึกษาให้เห็นความเป็นจริงของร่างกายว่ามันจะต้องเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปหลงไปรักไปยึดไปติดมันเพราะเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้คิดที่มารับมามาครอบครองร่างกายชั่วคราวแต่วันหนึ่งก็ต้องปล่อยต้องแยกทางกันไป ถ้ารู้ล่วงหน้าเวลาถึงเวลาแยกทางกันก็จะไม่รู้สึกทุกข์หรือเสียใจแต่อย่างใดอันนี้คือขั้นของร่างกายแล้วพอผ่านขั้นร่างกายก็ไปขั้นเวทนาความรู้สึกของเวทว่าความรู้สึกที่มาสัมผัสกับใจก็มีสามอย่างมีสุขมีทุกข์มีไม่สุขไม่ทุกข์ก็พิจารณาว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาห้ามมันไม่ได้เหมือนดินฟ้าอากาศเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออก เวทนาก็เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวไม่สุขไม่ทุกข์ถ้าไปอยากให้มันไม่ทุกข์เวลามันทุกข์ก็จะทุกข์ก็จะเกิดความเครียดขึ้นมาในใจเรียกว่าความทุกข์ใจเราสามารถระงับความทุกข์ใจได้ด้วยการยอมรับความจริงของเวทนาตอนนี้มันสุขก็รู้ว่ามันสุขพอมันหมดก็รู้ว่ามันหมดพอทุกโผลขึ้นมาก็รู้ว่ามันโผขึ้นมาให้รู้เฉยๆอยากไปอยากให้มันหาย อย่าไปอยากให้มันมาหรืออยากให้มันไปปล่อยมันไปตามเรื่องของมันใจของเราก็จะไม่ทุกข์กับเวทนาพอผ่านเวทนาแล้วก็ไปที่จิตจิตก็มีอารมณ์ต่างๆมีอารมณ์ว่าวุ่นวุ่นมัวมีอารมณ์สงบมีอารมณ์สบายมีอารมณ์เครียดมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนเวทนาก็อย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นเวลามันเครียดก็รู้ว่ามันเครียดถ้าอยากจะ อยากให้มันหายเครียดก็ไปค้นหาสาเหตุของความเครียดก็เครียดก็ เ, กเพราะความอยากพออยากแล้วมันก็เครียดพอเราหยุดความอยากได้มันก็หายเครียดอันนี้เป็นต้นก็พิจารณาไปแล้วก็ปล่อยวางไปอย่าไปมีปัญหากับมันใจก็จะหลดไปเป็นขั้นๆไปจนถึงขั้นสุดท้ายก็คือขั้นถามว่าใจยังมีทุกข์อยู่หรือเปล่ามีอริยรรสัจสี่อยู่ในใจหรือเปล่า ถ้ายังมีทุกข์ก็เกิดจากอะไรก็เกิดจากตั้นหาความอยากถ้าอยากจะให้ใจไม่มีทุกข์เลยก็ต้องหยุดความอยากที่มีในใจเนี่ยต่อไปพอหยุดความอยากที่เหลืออยู่ในใจได้มันก็ไม่มีความทุกข์อีกต่อไปใจก็หลุดพ้นนี่พูดง่ายแต่เวลาทํามันมันไม่ไม่ง่ายเพราะมันต้องไปเข้าห้องสอบใจร่างกายนี้จะรู้ว่าปล่อยมันได้หรือเปล่าก็ต้องไปปล่อยมันที่ป่าช้านูา่นะ ต่อไปมันจะต้องตายมันก็ต้องไปอยู่ป่าช้าก็ลองให้มันไปทดลองอยู่ป่าช้าดูก่อนนะไปดูว่าอยู่ได้ไหมไปอยู่ป่าช้าคนเดียวตอนคืนได้หรือเปล่าหรือไปอยู่ในป่าเปลี่ยวก็ได้ป่าที่มีสิงสารสัตว์ต่างๆดูใชว่าปล่อยวางร่างกายได้หรือเปล่าเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเราของเราได้หรือเปล่าปล่อยแล้วใจไม่เดือดร้อนก็แสดงว่าแสดงว่าปล่อยได้ ถ้าไปแล้วตื่นเต้นตกใจหวาดกลัววิ่งลีขอกลับบ้านนี่ก็แสดงว่ายังไม่ปล่อยขอเอาเอากลับบ้านก่อนอ น, นี่เวลาอ่านเวลานี่อาจจะคิดว่าอ่านแล้วเข้าใจแล้วบางคนคิดว่าฉันเข้าใจแล้วฉันบรรลุแล้วยังยังนั้นเป็นเพียงการบ้านเป็นการดูแผนที่ยังไม่ได้ออกเดินทางถ้าเป็นมวยก็เป็นการซ้อมชก ยังไม่ได้ขึ้นเวทีจริงเนต้องรอขึ้นเวทีจริงก่อนจะคู่ต่อสู้ก่อนถึงจะรู้ว่าสู้เขาได้หรือเปล่ามีอีกหมีมจ้ะค่ะต่อไปมีคำถามจากทาง y o u t u ู e ค่ะสมาธิสมาธิดับกรรมได้หรือไม่ครับพระอาจารย์สาธุครับสมาธิหยุดการกระทำได้ชั่วคราวแต่วิบากนี้หยุดไม่ได้วิบากที่เกิดจาก กรรมที่ทําในอดีตนี้หยุดไม่ได้แต่หยุดการกระทาที่จะทาในปัจจุบันได้เช่นจะไปกินเหล้าเราก็ไปนั่งสมาธิแทนจะไปลักทรัพย์ไปขโมยเราก็ไปนั่งสมาธิแทนมันก็ป้องกันไม่ให้สร้างกรรมใหม่ได้แต่ผลของกรรมเก่าที่ทํานี้ป้องกันไม่ได้แต่เวลาอยู่ในสมาธิก็ไม่รับรู้เรื่องวิบากได้อยู่แต่พอจากสมาธิมาพอมากลับมารวมอยู่กับร่างกาย วิบากกรรมที่ตามมาที่ร่างกายก็จะต้องรับต่อไปเนื่องทํากรรมไปแล้วนี่ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นใครพระพุทธเจ้าก็ต้องรับผลของกรรมเนี่ยคอยมีกรรมมีเวรกับเทวทัตเนี่ยพระเทวทัตเลยมาจองเวรจองกรรมพยายามฆ่าถึงสามครั้ง เพียงแต่ว่าบารมีของพระพุทธเจ้านี้มีมากจนทำให้ไม่สามารถที่จะทำลายชีวิตของพระพุทธเจ้าได้ทำได้ก็เพียงแต่ทำให้ห้อเลือดแต่ถ้าเป็นพระอารหันต์นี้บารมีไม่พอเช่นพระโมกขานี่ทํากรรมไว้จะต้องถูกเขาฆ่าก็ต้องถูกเขาฆ่าแม้จะมีมีอนุภาพทางจิตมีอิทธิปาฏิหาริย์มีอิทธิฤทธิ์ธต่างๆ ก็หนีไม่พ้นกรรมท่านบอกว่าท่านหนีวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็ตามมาใหม่งั้นเมื่อถึงเวลาที่จะให้เขาแสดงผลก็ปล่อยเขาแสดงไปเมื่อถึงเวลาตายท่านก็ยินดีให้มันตายเพราะท่านรู้ว่าท่านไม่ได้เป็นร่างกายและท่านรู้ว่ายังไงมันก็ต้องตายอยู่ดีไม่ได้ตายด้วยวิบากก็ต้องตายด้วยความตายด้วยการเกิดนั่นเองเกิดแล้วก็ต้องตายด้วยกันทุกคนงั้นความตายสาหรับพระอาหารหันต์จะไม่เป็นปัญหา ไม่ว่าจะเ ป, เป็นเพราะเป็นวิบากกรรมหรือว่าเป็นเพราะว่าเป็นเรื่องของร่างกายมันก็ต้องตายเหมือนกันแต่ใจของท่านจะไม่เดือดร้อนใจของท่านจะไม่ทุกข์กับความตายของร่างกาย <c oughs> มีใครอยากจะถามอะไรไหมถ้าไม่มีวันนี้จะเลิกเร็วหน่อยนะเพราะว่าพูดมามากพอสมควรก็เอาเท่านี้การก็แล้วกัน ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิษ์พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ